คนเราคนเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหลายคนอาจจะมีคำตอบนี้อยู่ในใจและคำตอบมันก็คงมากไปกว่าความไม่อยากตายคนเราไม่ใช่ว่าไม่อยากตายเราถึงพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมีจุดมุ่งหมายมากไปกว่า น, นั้นซึ่งถ้าพูด ร, มรมวมๆก็คือมีความสุขความสุขนะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่จริงจะเรียกว่าเป็นความสุขเป็นจุดมุ่งหมายของสัตว์ทั้งหลายก็ว่าได้อาตมาช่วยพวกเราทุกคนที่นี้นะก็ปรารถนาความสุข มีชีวิตยอยู่เพื่อที่เราจะได้สัมผัสกับความสุขแต่ว่าเรารู้จักความสุขดีแล้วหรือยังสิ่งที่เราแสวงหาเราแน่ใจหรือเปล่าว่ามันเป็นความสุขที่แท้เราแน่ใจหรือเปล่าว่ามันเป็นความสุขที่ประเสริฐ คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าความสุขนี้มีอย่างเดียวนะซึ่งจะมาเรียบรวมรวมว่าความสุขที่เกิดจากการได้การมีได้อะไรมีอะไรนะก็คือเงินทองทรัพย์สมบัติรวมทั้งชื่อเสียงกิติยศอำนาจบริษัทบริวารคนจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยเชื่อว่า มีสิ่งนี้แล้วหรือได้สิ่งนี้มาจึงจะเกิดความสุขขึ้นแต่ที่จริงแล้วยังมันมีความสุขที่ประเสริฐกว่านั้นนะจากมุมมองของพุทธศาสนาไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการได้แต่เป็นความสุขที่เกิดจากการสละนะ มันเรียกว่าแท้จะสวนทางกันเลยก็ว่าได้นะความสุขที่เกิดจากการมีการได้หรือครอบครอกมากๆเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าความสุขทางโลกเป็นยอดปราถนาของผู้คนทั้งหลายแต่ว่าความสุขชนิดนี้เนี่ยนะมัน ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะกว่าจะได้มาเนี่ยก็เหนื่อยเหนื่อยในการสแสวงหาแล้วก็หลายครั้งก็ต้องไปแข่งขันนะกับคนอื่นย่ตัวอย่างเช่นนะหลายคนบอกว่า มีความสุขนะถ้าเกิดว่าจะได้ iPhone 6s นะวัยรุ่นหลายคนเนี่ยนะแล้วนี่ iPhone 7กำลังจะมาแล้วนะแต่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะได้ง่ายๆนะ h o n e เนี่ยพวกเราคงทราบใช่ไหมว่ากว่าจะได้มาเนี่ยโดยเฉพาะาตอนที่ออกใหม่ๆเนี่ยต้องเข้าคิวกันคิวนี่แถวยาเป็น เป็นกิโลเลยนะในอเมริกาเนี่ยต้องมีคนไปเข้าคิวนะตั้งแต่เช้ามืดหรือว่าตั้งแต่เที่ยงคืนนะจกนกทั่งมีอาชีพหนึ่งอาชีพรับจ้างเข้าคิวนะคิดเป็นชั่วโมงเลยนะในอเมริกานิวยอร์กเนี่ยนาชั่วโมงละยี 20, 20่สิบยี่สิบดอลยี่สดอ นะและบางรายเนี่ยกว่าจะได้เข้าไปซื้อ i p h o n เนี่ยในห้างเนี่ยมันต้องเข้าคิวประมาณ 6-7 เจดชั่วโมงก็หมดเวลาเท่าไหร่ 140-160 ร้140 160นะดอลลาร์เผอเอค่าเข้าคิวนี่แพงกว่าตัวเครื่องสิงนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่า มีเงินแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ว่าจะได้มานะมันต้องไปแข่งเขานะ <c oughs> เพื่อจะมาเนี่ยไปไปเที่ยวที่ปารีสนะ <c oughs> แล้วก็กบอกว่าถ <c oughs> นนชอมเมอลิสเซ่เนี่ย <c oughs> มันมีร้านขายของแบรนด์เนมพวกหลุยส์วิตตองชาแนลอะไรเนี่ยมีคนเข้าคิวเนี่ยจนล้นออกมา ที่หน้าร้านเอาเริ่มมาเลยนะหลายร้อยเมตรธันวาคมนะอากาศก็หนาวนึกลองคิดดูเสอุตส่าห์รออุตส่าห์เข้าคิวนะเพื่อที่จะได้กระเป๋านี่มาไม่ใช่แจกฟรีนะต้องเสียเงินนะบใบหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนะและยังต้องไปเข้าคิวเพื่อที่จะแย่งชิงกับเขาอีกนะนี่เป็นธรรมชาติของความสุข ประเภทแรกนะคือความสุขที่เกิดจากการมีการได้รวมถึงการแย่งงานนะการดิ้นลนเพื่อที่ได้มีเงินจะได้ไปซื้อของจะได้ครอบครองวัตถุเหล่านี้นะเช่นรถยนต์บ้านนะหรือว่าเสื้อผ้า เหนื่อยในการหาได้มาแล้วนะก็ย่อกเหนื่อยในการรักษาใช่ไหมเพราะกลัวคนขโมยบ้านเนี่ยก็ต้องมีรั้วรอบขอบชิดกันคนขโมยรถนะถ้ามีเพชรก็ต้องหาตู้เซฟนะราคาเป็นแสนเนี่ยเพื่อที่จะใส่เก็บนะพวกเพ็รทอง เหนื่อยในการรักษาแล้วเนี่ยนะถามว่าสามารถที่จะรักษามันไว้ได้ตลอดการไหมอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนว่าไอ้ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นนะได้มาแล้วเนี่ยเหนื่อยในการรักษา แต่วันดีคืนดีก็สูญหายไปนะเพราะว่ามีคนมาขโมยหรือว่าเกิดเศรษฐกิจตกต่ำนะหุ้นที่เคยซื้อมานะหุ้นละเป็นร้อยบอกกว่าราคามันตกหวบเหลือห0สิตังค์เีย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เ, เงินทองที่อุตสาห์สะสมมาวันดีคืนดีมันถูกลดค่าอย่างเงินยูโรตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามปีที่แล้วตมามามเกือบห0ตอนนี้มันเท่าไหร่ามสกว่ายนัะ้อุตสา ห, หามานะแต่ว่าในสุดเนี่ยค่ามันก็ตกนะทองที่เรามีนะเพอเพค่าก็ตกนะอันนี้ก็อุ มันก็ทำให้เกิดความเหนื่อยเกิดความเสียใจนะความสุขที่เกิดจากการมีการได้เนี่ยนะพระเจ้าตอเป็นความสุขที่เจือไปด้วยโทษนะมันให้ความสุขกับเราก็จริงแต่ว่ามันก็เจือไปด้วยโทษพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่เกิดจาก ซึ่งทำจากย่้าแห้งแสงสว่างที่เกิดจากใต้ชนนี้เนี่ยมันไม่สว่างนวลและมีน้ำซ้ำมันยังมีควันอีกนะมันให้แสงสว่างก็จริงแต่มันมีควันที่ทำให้ระคายเคืองนะและถ้าเกิดว่าจับใต้นี้ไว้นานๆไม่ยอมปล่อยนะ ไฟมันก็จะไหม้มือนี่คือธรรมชาติของการมาสุขนะการมาสุขที่หมายถึงสุขที่เกิดจากรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจซึ่งเรียกรวมเรว่าเป็นความสุขทางวัตถุนะที่ให้ความสะดกสบายทางกาย นี่คือความสุขที่คนส่วนใหญ่ปรารถนาอยากจะได้และเชื่อว่าถ้ามีมากๆเนี่ยก็ทำให้มีความสุขนะหลายคนนะมีลูกก็อยากจะให้ลูกมีเงินเดือนเยอะๆมีงานที่ดีๆเราวัดความสำเร็จของลูกด้วยเงินเดือนที่ลูกหาได้นะเราวัดความสำเร็จของตัวเรานะจากจํานวนวัตถุ นะทรัพย์สมบัติที่เรามีถ้าเพื่อนมีเงินเดินมากกว่าเราเราจะรู้สึกด้อยถ้าเรามีรถน้อยกว่าเพื่อนเราก็รู้สึกด้อยนะอ น, นีค่คือเครื่องวัดความสุขเครื่องวัดความสำเร็จของคนส่วนใหญ่นะก็คือใช้วัตถุเนะี่ยเป็นตัวตั้ง แต่ว่ามันไม่ใช่หลักประกันแห่งความสุขที่แท้จริงอย่างที่อาตมาบอกนะก็คือว่าความสุขนิดนี้เนี่ยมันต้องเหนือยในการแสวงหาต้องยิ่งต้องดิ้นรนต้องแข่งขันต้องแย่งชิงแล้วต้องเหนือยในการรักษานะรักษาเสร็จยังไงรักษายังไงมันก็รักษาได้ไม่ไหวเพราะว่า ของเรานี่มันเป็นอนิจจังพอเสื่อมไปหายไปก็เสียใจมีคุณยายคนหนึ่งนะแกมีทับทิมนะซึ่งเป็นของโปรดมากแล้ววันหนึ่งมันหายไปรอกว่าล้มสุดป่วยเลยนะ หลานซึ่งบวพระอยู่ที่วัาอาตมาเนี่ยได้ข่าวว่ายายป่วยก็รีบสัตตาหะลาพันษาไปนึกว่าเป็นโรคร้ายโรคหัวใจโรคเสลือดสมองนะแตกที่ไหนได้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีโรคแพ้ข้เจไปอะไรเลยแต่ที่ล้มป่วยเพราะนะทัพทิมหายเนะนี่ยความสุข ที่เกิดจากวัตถุเกิดจากการได้เกิดจากการเสพเนี่ยมันต้นแรกมาด้วยความทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นความสุขที่ที่เราควรถือเป็นสารณะมีเรื่องเล่าว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งนะไปกราบหลวงปู่ดูนะวัดสกแกยุทธยาหลวงปู่ดูท่านก็มรณภาพไปแล้วนะ เมื่อไม่กี่ปีมานี้เขาก็เล่าว่าเขาไปไปบูชากระอุปคุดมาหลวงปู่ท่านก็ถามว่าบูชาทําไมเขาบอกอยากรวยอยากรวยครับหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็เลยพูดเปอยๆขึ้นมาว่ารวยกับรวยมันใกล้กันนะเกางงนะ่ะหมายควา่าไงหลวงปู่ทีร่าท่านก็บอกว่ามันเขียนกล้มันเขีย น, ม, น, ยนมันออกเสียงใกล้กันตลองท่านก็อธิบายว่าเนี่ยนะ รวยนี่นะมันมันต้องเหนื่อยในการหาเหนื่อยในการรักษานะแล้วก็เมื่อเสียไปนะก็เศร้านะมันจึงเต็มไปได้วยความทุกข์นะหลวงปู่ท่านก็บอกว่าอย่าเอารวยเลยนะเอาความดีดีกว่า ปัญหาของความสุขที่เกิดจากวัตถุหรือความสุขที่เกิดจากการมีการได้เนี่ยอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะก็คือว่าสมมุติว่าของที่ได้มาเนี่ยไม่หายเลยนะแต่ว่าพอได้ไปสักพักนะมันก็จะเริ่มเบื่อตอนที่เราซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่รองเท้านะคู่ใหม่เนี่ยโอ้เราดีใจใช่ไหม แต่พอผ่านไปสามเดือนหเดือนเนี่ยไอเสื้อตัวใหม่หรือเสื้อตัวเดิมที่เราได้มาเนี่ยเราเริ่มจะเบื่อแล้วเราก็อยากได้ตัวใหม่วัยรุ่นเนี่ยได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาเช่นได้ไอโฟนนะไอโฟน6กมาก็ดีใจนะแต่รอไปเถอะนะปีหน้าเนี่ย เขาจะไม่อยากได้แล้วเพราะมันมี i p h o n เจมา i p h o n ห6เนี่ยที่เขาอุตส่าห์ไปรอเข้าคิวเป็นสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เขาอยากจะโยนลงขยะไปแล้วหรือว่าอยากจะไปเทิร์นเพราะว่ามันเชยซะแล้วคือสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มาเนี่ย มันให้ความสุขกเาเพียงแค่ชั่วคราวนะนี่เคยเพราะว่าทําไมบางคนเนี่ยมีเสื้อผ้าอยู่ประมาณถึงพันชุดมีรองเท้าอยู่300คู่เคยสงสัยไม่ว่าทําไมคนบางคนเนี่ยถึงมีรองเท้าถึง300คู่อ่ะนะเพราะอะไรเพราะเขาเบือเ่อไงเขาได้มาคู่แรกเขาก็ดีใจพอสักพักเขาเบื่อเขาเอาเจ้าคู่ที่สอง พอได้มาคู่ที่สองแล้วเขาก็เบื่อก็เจ้าคู่ที่สมแล้วก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งมีรองเท้ามาสามรอคู่แล้วความสุขที่เกิดจากวัตถุเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนอันนี้เราดูความสุขที่เกิดจากการกินการเสพด้วยนะอาหารอร่อยที่เราคิดว่าสุดยอดเนี่ยนะ ตอนที่กินช้อนแรกจานแรกเนี่ยมือแรกเนี่ยโอ้เรามีความสุขมากเลยเนะบางคนษาเข้าคิวนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคไปเข้าคิวเพื่อกินอาหารเนี่ยนะซูชินะโตเกียวเนี่ยสามชั่วโมงนะตั้งแต่รอคิวตั้งแต่หโมงเช้าถึง9้าโมงเช้าเนี่ยเพื่อได้กินซูชิไม่ซูชิกินปลาดิบเอาซูชิด้วยนะมันมีอ่ ใส่ปลาดิบเข้าไปด้วยไม่ใช่กินฟรีนะหลายพันบาทมื้อแรกก็อร่อยนะอะไรก็ตามมันจะเป็นไก่ย่างส้มตำเนี่ยหรือว่าหูฉลามแต่ส้เมื่อเรากินทุกวันเช้ากับวันเย็นก็กินนะกินไปได้สักสามสี่วันก็ชักเบื่อแล้วที่เคยอร่อยนี่มันไม่อร่อยแล้วถ้ากินต่อไป หกเจ็วันนะนะมันเริ่มเอียนแล้วนะแล้วถ้ากินต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะมันไม่ใช่เอียนนะมันอาจเจียนเลยนะแค่เห็นนะใช่ไหมเพลงก็เหมือนกันนะเพลงฟังทีแรกก็พรอนะแต่ฟังสักร้อยครั้งเนี่ยมันไม่พรอแล้วนี่คือเพราะทาไมคนเนี่ยถึงไม่รู้จักหยุดสแสวงหาหยุดดิ้นรนไขวยคว้ า, วาเพราะว่าไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ย มันให้ความสุขชั่วคราวแล้วมันก็เบื่อแล้วเราจะมีชีวิตยอยู่เพื่อความสุขชนิดนี้หรือในเมื่อชีวิตเราเนี่ยมันมีค่ามากกว่า น, นั้นถ้าเราเสียเวลาไปกับเสียชีวิตทั้งชีวิตไปกับการดิ้นรนแสวงหาสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะเบื่อในวันรุ่งขึ้นในเดือนต่อมาในปีต่อมาแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะรู้จักพอสักทีม้แต่คนที่ไขว้คว้าอยากจะได้เงินนะ สิล้านได้มาแล้วนะเขาก็ดีใจชั่วคราวนะไม่นานเขาก็อยากจะได้ร้อยล้านเขาได้มาแล้วเขาก็ดีใจแต่ว่าผ่านไปเขาก็อยากจะได้พันล้านนะความสุขที่นี้เป็นความสุขที่ไม่น่าพอใจไม่ทําให้สุขยั่งยืน แต่ไม่มีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะความสุขที่เกิดจากการให้เกิดจากการสลานะอันนี้เนี่ยมันเป็นความสุขทางใจความสุขชีร่าเป็นความสุขทางกายเกิดจากวัตถุเกิดจากเงินทองแต่ความสุขชีที่สองเนี่ยมันเกิดมันเป็นความสุขทางใจซึ่งยั่งยืนและประนีตกว่า ด้วยเหตุ น, นี้พุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนแนะนำให้ชาวพุทธเนี่รู้จักให้ทานการให้ทานเนี่ยจะทำให้เราได้พบกับความสุขทางใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขต้องได้รับความสุขเวลาเราเวลาเราให้ทานนะกับคนที่เดือดร้อนเนี่ยนะ เงินในกระเป๋าเราเหลือน้อยลงก็จริงแต่ว่าความสุขในใจของเราจะเพิ่มมากขึ้นเขาเคยมีการทดลองนะในเมืองนอกนะทุ้อยกในอเมริกาเนี่ยเขาแบ่งนักศึกษาก็เป็นสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยได้เงินเท่าๆกันนะ อาตมาจำตัวเลขไม่ได้สมมุติให้ไปพันหนึ่งกลุ่มแรกบอกว่าเอาไปกินเอาไปเที่ยวไปซื้ออะไรก็ได้ดูหนังก็ได้ไปกินอาหารขนมก็ได้กลุ่มที่สองเนี่ยให้เอาเงินไปทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นเช่นเอาไปให้คนยากจนหรือว่าไปซื้อกระดาษซื้อสีวาดรูปให้กับเด็กพิการหรือว่าให้เด็กพิการได้วาดรูปด้วยกัน สุดท้าแต่ว่าจะคิดเอานะแล้วเขาก็ให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขียนบันทึกความรู้สึกแล้วเขาก็เอาบันทึกเนี่ยมาเปรียบเทียบกันดูกลุ่มแรกเนี่ยนะจะมีความสุขน้อยกว่ากลุ่มที่สองกลุ่มที่สองรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขาเห็นรอยยิ้มของเด็กเขาเห็นรอยยิ้มของคนที่เดือดร้อนแได้รับความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยนะ ก็รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะพูดง่ายคือเขามีความสุขใจมันก็น่าแปลนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกเนี่ยเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปกินไอติมเอาเงินไปซื้อของแต่กลับมีความสุขมากกลุ่มที่สองซึ่งไม่ได้ใช้เงินนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองเลย การที่เรารู้จักให้ทานเนี่ยนะการที่ทานเนี่ยเป็นบุญกิริยาข้อแรกในบรรดาสข้อเนี่ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้ น, น, นแต่ว่ามันช่วยบำรุงความสุขบำรุงจิตใจของคนที่ทำด้วยด้วยนี้แหละนะการทำบุญเนี่ยจึงการให้ทานเนี่ยจึงเป็นการทำบุญนะที่สำคัญในพุทธศาสนา เพราะมันทำให้เกิดความสุขผู้เจ้าเคยตรัสว่ากินคนเดียวนะย่อมไม่ได้รับความสุขนะเคยได้ยินไหมผู้เจ้าสอนเศรษฐีคนหนึ่งนะบอกว่าอย่ากินคนเดียวต้องรู้จักแบ่งปันนะเพราะว่าการแบ่งปันเนี่ยทำให้เกิดความสุขใจด้วย อาจารย์พุทธทาบบอกว่าถ้าเรามีอะไรแล้วเรากินคนเดียวเนี่ยยี่บสี่ชั่วโมงมันก็กลายเป็นขี้ไปแล้วแต่ถ้าเราไปแบ่งให้คนอื่นนะมันก็จะอยู่ในใจเขาไปอีกนานนอกจากการสละทรัพย์สมบัติสิ่งของที่เรียกว่าทานแล้วเนี่ย การสละแรงกายสละเวลาเพื่อช่วยผู้อื่นก็ทำให้เกิดความสุขนะมีผู้หญิงคนหนึ่งแกแปรเป็นจิตอาสาให้กับบ้านพักเขาเรียกว่าศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่ถูกทอดทิ้งเรียกว่าบ้านปักเกรดนะมีเด็กถูกทิ้งตั้งแต่สองสามเดือนไปจนถึง เจดขวบเด็ก7จ็แดขวบเนี่ยคือเด็กที่อยู่ในบ้านพักพิงหรือว่าศูนย์เนี่ยมาจนโตเด็กเหล่านเนี่ยนะเขาต้องการพี่เลี้ยงก็เลยมีการรับสมัครจิตอาสาไปเป็นพี่เลี้ยงอาทิตย์ละสองครั้งสองวันผู้หญิงคนนี้กนแกแอายุประมาณสาบแกเป็นนะไมเกรนนะไมเกรนคือปวดหัวข้างเดียว แกต้องกินยาระงับปวดทุกวันแต่แกก็อยากจะไปช่วยเหลือเด็กแกไปเป็นจิตอาสาได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์เท่านั้นแหละวันหนึ่งแกก็ถูกคิดขึ้นมาว่าแกลืม ก, ม, ลมกินยาทำไมลืมกินยาทท่านั้นที่กินทุกวันมาตลอด แกก็พกคบคําตอบว่าพอกแกไม่ปวดนะหรือพูดง่ายคือการลืมปวดไปเลยทําไมลืมปวดเพราะแกมีความสุขจากการที่ได้ไปดูแลเด็กแกไม่เคยคิดเลยนะว่าการไปดูแลเด็กเนี่ยมันเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวแกเองแกคิดว่าแกไปเป็นเจอาสาเพื่อจะให้ความสุขกับเด็กแต่ปรากฏว่าเด็กต่างหากที่ให้ความสุขกับแก พอแกมีความสุขแกก็เลยลืมปวดนะมันประเสริฐกว่ายากนะไอ้การที่ไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันทำให้จิตใจเกิดปิติปราโมทย์นะลืมปวดนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าการสละนะการให้เนี่ยนำมาซึ่งความสุขสุขยิ่งกว่าการเสพนะ สุขที่อวกับการได้มีหลายคนได้ประสบการณ์ดีๆนะมีความสุขเช่นใจเย็นมากขึ้นเด็กอายุคนหนึ่งไปเป็นปเปนี่ยไปเป็นจิตอาสาที่บ้านปักเก็บนกันไปได้สองสมเดือนเนี่ยแม่ก็ออกปากว่าเด็กเปลี่ยนแปลงไปเพราะเด็กใจเย็นมากขึ้นใช้เหตุใช้ผลมากขึ้น ทำตามอารมณ์น้อยลงเนะพราะอะไรฮะเพราะว่าเด็กได้นะลูกของเขาเนี่ยได้ไปอยู่กับเด็กก็ทําให้เด็กนี่แหละช่วยทําให้เด็กทำให้ลูกของเธอเนี่มีความอดทนนะใจเย็นนะคนที่ใจเย็นจะรู้สึกถึงความสุขข้างในนะต่างจากคนที่ใจร้อนและที่ใจเย็นได้ก็เพราะไปเป็นจิตอาสานะ ไปเป็นเพื่อนให้กับเด็กอุ้มเด็กนะไปเล่นกับเด็กผู้ให้ความสุขย่อมได้ละความสุขนะอันนี้นอกจากการสละเงินทองที่เรียกว่าทานหรือว่าการสละเวลานำพักนำแรงเพื่อช่วยเหลือผู้ อ, อื่นนะซึ่งบางทีเราก็เรียกว่า อัตจริยาหรือว่าวายวัตจะไม้วายวัจจะไม้คือบุญที่เกิดจากการทําช่วยเหลือส่วนรวมอัตจริยาคือการช่วยเหลือผู้อื่นนะการสละอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดความสุขนะก็คือสละอารมณ์ที่เป็นอกุศลเช่นความโกรธความเกลียดความเศร้า แปนะอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันบีบคั้นจิตใจมันเผาลนจิตใจแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยหวงแหนมันเอาไว้คนเวลากโกรธนะสังเกตไม่ว่าจะหวงแหนความโกรธเวลาเพื่อนบอกว่าให้อภัยก็ไปเธอะถ้าเราโกรธเราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมให้อภัย ทำไมไม่ยาให้อาภัยในเมื่อน่าจะรู้ว่าการให้อาภัยนี่ทาให้จิตใจสงบเย็นเวลาเราโกรธใครสักคนแล้วมีเพื่อนบอกว่าให้อาภัยก็เถอะนะบางทีเรากลับไม่พอใจเพื่อนนะว่ามาแนะนํำนี้ได้ยังไงคนเวลาเศร้านะใครมาชวนให้ไปไหนเขาไม่ไปนะ เวลาเงินหายเวลาถูกโกงเนี่ยหรือแม้กระทั่งเวลาที่คนรักตายจากไปหรือว่าอกหักเนี่ยเพื่อนระชวนไปเที่ยวไม่ยอมไปนะจะอยู่บ้านจะอยู่เฉยอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อได้ จ, จมอยู่ในความเศร้านั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะการห่วงห่วงแหนความเศร้านะเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะเวลาเศร้านี่เราอยากฟังเพลงอะไร เพลงสนุกสนุกเพลงป๊อบนะเราอย่าฟังเพลงเศร้าใช่ไหมทำไมอะ่ะทำไมเราถึงหวงแห่งความเศร้าทําไมเราถึงอยากจมอยู่ในความเศร้ามันน่าแปลกนะคนเราบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองนะแต่ทําไมชอบปล่อยใจจมอยู่ในความเศร้าเพื่อมาชวนให้ไปเที่ยวไม่ยอมไปบางทีลาคาญเพื่อนงงิดเพื่อว่า มาชวนกูทำไมนะเพราะในใจอยากจะเศร้าต่อไปเพือ่อมาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นผู้หญิงได้จดหมายจากเพื่อนชายที่เหมือนกับว่าไม่มีใจให้เธอนะเขาไม่ได้รักเธออย่างแฟนเขาคบเธอแบบเพื่อนเธอก็เสียใจก็นั่งซึม ก็พอดีเพื่อนมากดออดที่หน้าบ้านตะโกนเรียกชวนไปเที่ยวเธอพอเธอได้ยินเพื่อนเรียกนะที่หน้าบ้านนะเธอฉุนขึ้นมาทันทีเลยนะในใจนึกนะเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ดันมีคนมาขัดขวางอีกนะแปลกไหมเคยเป็นอย่างนี้ป่ะ เนี่ยเรียกว่าเราหวงแหนความหวงแหนความเศร้านะความเกลียก็เหมือนกันอันนี้เรียกว่าทำไปเพราะไม่รู้ตัวไม่มีสติการสละความเศรา้าการสละความโกรธความสละความเกลียดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคนเราเนี่ยยึดติดอยู่สองอย่างหนึ่งสิ่งที่ให้ความรัก สิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติคนรักสองสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเช่นความโกรธความเกลียดหรือคนที่เราโกรธเราเกลียดนะอย่างที่ตมาพูดไปแล้วเมื่อวานนะยิ่งผลักใสยิ่งยึดติดยิ่งเหม็นยิ่งเกลียดไอ้กลิ่นเหม็นที่มันติดมือมาก็ยิ่งดมมันอยู่นั่นแหละนะยิ่งโกรธก็ยิ่งให้อภัยได้ยากนะ แต่ทันทีที่เราสละไปนะสละความโกรธสละความเกลีกลกยดนะโอ้โหมันมันสบายเลยนะอาตมาได้ยินหลายคนพูดคล้ายกันเลยนะบอกว่าหลังจากที่เ็าโกรธเขาเกลียดมานานนะหรือพยาบาทมานานเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาให้อภัยมันให้อภัยคนที่ทำร้ายเขาได้เนี่ยเขาจะพบถึงความสุขหลายคนจะพูดคล้ายๆกันเลยว่า รู้งี้กูให้อภัยไปนานแล้วรู้งี้ฉันทําไปนานแล้วนะไอการให้อภัยเนี่ยอาตมาได้ยินหลายคนพูดแบบนี้คล้ายๆกันเลยบางคนเนี่ยเสียพ่อนะเพราะว่าพ่อเนี่ยถูกไวรุ่นคนหนึ่งฆ่าแล้วแกก็พยายามบาดแค้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยแกก็เบิร์นติดคุกไปอยู่บ้านการยันพิเศษเช่นเดียวกับไอคนที่ฆ่า พ่อแกแคิดจะแก้แค้นคิดจะหาโอกาสที่จะฆ่ามันในบ้านการยายพิเศษก็นนี่นะซึ่งเป็นทีาเรียกภาษาชาวบ้านก็คือเป็นสถานกักกันเยาวชนแต่ว่าผู้อํำนวยการเนี่ยนะป้า ม, ม น, นี่นะมีชื่อมากนะแกพยายามที่จะให้ความรักกับเด็กและพยายามที่จะแนะนําให้เด็กเนี่ยรู้จักให้อภัยก็มีทางการทํากิจกรรมหลายอย่างจนกระทั่งมีคราวหนึ่งก็ไปเรียก ไปชวนยายของเด็กที่สูญเสียพ่อเนี่ยยายาก็คือแม่ของคนที่แม่ของคนที่ถูกฆ่ายายเนี่ยมามาพูดเพื่อให้อภัยกับคนที่ฆ่าลูกของตัวแล้วก็บอกหลานของตัวว่าให้อภัยสุดท้ายเนี่ยหลานก็ให้อภัยคนที่ฆ่าพ่อของตัวซึ่งอยู่ในบ้านการใดพิเศษด้วยกัน พอให้อาภัยเสร็จเนี่ยนะแกเขียนในบันสมบันทึกเลยนะว่าโอ้รู้งี้เนี่ยทำไปนาแล้วนะในการให้อาภัยเนี่ยในความสุขที่เกิดจากการสลักนะมันสุขยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากการได้เวลามีเงินมากๆานี่นะแล้วเกิดความเศร้าเกิดความเสียใจนะเงินช่วยไม่ได้นะเมื่อวานนี้ตมาก็ไปเล่าที่สถานทูต นะว่ามีมีหมอคนนึงเนี่ยซึ่งแกประสบความสําเร็จทางธุรกิจจนรทั้งเลิกเป็นหมอมาเปิดบริษัทนะ mm hmm. กิจการก็เจริญแล้วต่หลังก็ได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายนี้ก็เป็นนักธุรกิจ mm hmm. ก็ร่วมกันทําธุรกิจจนทั้งรวยกันเป็นร้อยล้าน mm hmm. แล้ววันหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็ขอแยกทางจากเธอเธอเสียใจมากเธอรู้สึกเลยนะว่า เธอไม่เหลืออะไรเลยที่จริงเธอแค่สูญเสียคนคนคนนึงไปจากชีวิตของเธอเท่านั้นแต่เธอความสุขเธอไม่เหลืออะไรทั้งที่ตอนนั้นเธอมีเงินเป็นร้อยล้านแต่มีความสุขไม่เหลืออะไรเลยเธอมีเพชรอยู่เม็ดนึ่งมีเพชรอยู่หอนึงนะถุงหนึ่งเนี่ยตอนที่มีตอนที่ประสบความสรุขในชีวิตและการงานเนี่ยเธอเอาเพชรมามากรองอยู่ที่บนโต๊ะเนี่ยแล้วก็ชื่นชมเพชรแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดมีความสุขมาก แต่พอสามีแยกทางเนี่ยแล้วเธอรู้สึกแย่เนี่ยเอาเพชรมาโรยอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะมันไม่ช่วยทำให้เธอมีความรู้สึกดีขึ้นเลย <c oughs> เธอกับรู้สีส่ซ้ำว่าไอ้เพชร น, นั้นเนี่ยมันไม่ต่างจากก้อนกรวดก้อนหินเลยมันไม่มีความหมายเลยนะ เงินมีเท่าไหร่เนี่ยถึงเวลาที่คุณอกหกักหรือว่าสูญเสียเศร้าโศกโกรธแค้นเนี่ยมันช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยแต่สิ่งนี้ที่จะช่วยเราได้นะก็คือธรรมะธรรมะที่สอนให้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสลับ <c oughs> เช่นเมื่อโกรธก็รู้จักให้อภัยแล้วก็แผ่เมตตา เมื่อเศร้าก็มีสติรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราเศร้าเนี่ยราจมอยู่ในความเศร้าเพราะเราไม่มีสติเพราะเราไม่รู้ตัวนะถ้าเราใช้สติหรือว่าใช้สมาธินะสติคือการรู้ทันสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นสมมุติเวลาคุณโกรธเนี่ยนะแทนที่คุณจะปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับเรื่องที่คเรื่องที่คุณโกรธหรือคนที่คุณโกรธเนี่ยคุณ เอาจิตมีอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าเรืๆหายใจยาวๆภาวนาวไปเรือยพุทโทพุทโทเรื่นับ 1- นึถึงสิหายใจเข้านับหนึ่งหายใจหายใจออกนับหนึ่งหายใจอ่อกนับสองหายใจอ่อ น, 2, จออนับ 3- ามถึงสิแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่เมื่อจิตคุณมีสมาธิอยู่ลมหายใจนี่นะความโกรธเนี่ยมันจะถูกปล่อยไปจากใจทีละน้อยทีละน้อยจนหมดไปทั้งก้อนได้เลย หรือว่าคุณมีสติรู้ทันเมื่อวานนี้ทียพูดไปแล้วเนี่ยนร <c oughs> ว่าเวลาโกรธอย่าไปกดข่ดดคมความโกรธมันไม่หายไม่มีใครกดไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่ ด, ดูลเคยบอกเอาไว้แต่ให้รู้ทันมันสติเนี่ยช่วยทําให้รู้ทันส่วนสมาธิช่วยทําให้จิตเรานะลืมความโกรธไปมันทําหน้าที่คนละอย่างนะสติทําให้รู้ทันความโกรธส่วนสมาธิทําให้ลืม หรือทำให้ปล่อยออกไปจากใจเราต้องรู้จักการสละอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วมันทำให้เรามีความสุขนะยิ่งกว่าเวลาไปดูหนังฟังเพลงกินอาหารอร่อยหรือว่ามีเงินมีทองนะและการสละที่สำคัญนะ ก็คือการสละความเห็นแก่ตัวสละความยึดมั่นในตัวกูของกูโอ้นี่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าคนเราทุกเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีความยึดมั่นในตัวกูของกูเงินใครหายเนี่ยเราไม่รู้สึกเศร้าแม้ว่าจะเป็นเงินของเพื่อนก็ตาม แต่ทําไมเวลาเงินเราหายเนี่ยแม้จะเพียงแค่ส่วนเสี้ยวของเงินที่เพื่อนหายทําไมเราถึงทุกข์มากนะเพราะว่าเราเป็นยุบเป็นเราเป็นของเราเป็นเงินของเรานะแต่เมื่อก็ตามที่เรารู้จักปล่อยรู้จักวางโดยเพราะเมื่อมันหายไปแล้วเนี่ยรู้จักปล่อยมันไปนะ เราจะทุกน้อยลงทำไมบางคนเนี่ยเงินหายโทรศัพท์หายนะทรัพย์สมบัติถูกโกงไปผ่านไปสิบปีแล้วยังทุกข์ก็เพราะยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าของกูของกูของกูงกงกนะผลก็คือไม่ใช่แค่เสียทรัพย์แต่ว่าเสียใจเสียสุขภาพเสียงาน เขาทำงานไม่ได้แล้วก็เสียเพื่อนเพราะว่าอารมณ์หงุดหงิดระบายอารมณ์ใส่เพื่อนตว่าใส่เขาเมื่อเขาพูดผิดหูหรือว่าเสียสมรรถภาพคุณยายเนี่ยคนที่แกแกป่วยเมื่อทับทิมหายเนี่ยเพราะยังมีความยึดมั่นว่าทับทิงของกูทับทิงของกูถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวาง เจือจางความรู้สึกเป็นตัววงกูเนี่ยนะเราจะพโกความสงบเย็นในจิตใจได้ยากไอ้ความสุภประแรกเนี่ยยิ่งมีมากๆนะยิ่งได้มากๆมันยิ่งทําให้เกิดความยึดติดนะตัวกูของกูตัวกูของกูมากขึ้นนะแต่ถ้ารู้จักให้ทานสลากไปสลาไปเนี่ยถ้าเราให้ทานเป็นนะมันไม่ใช่แค่สละกสิ่งของเท่านั้นนะมันจะสลาความเห็นแก่ตัว แต่ส่วนใหญ่สละ ก, ก็ไม่เป็นให้ทางก็ไม่เป็นนะคือให้เพราะอยากได้นะบริจาคร้อยเพราะอยากได้ล้านนะอันเนี้ยมันไม่ช่วยมันไม่ช่วยลดละไอความยึดมั่นในตัวกูกของกูการทําบุญถ้าเราทําบุญด้วยท่าทีแบบนี้เนะี่ยคือทําแล้วสลาเพื่ออยากจะรวยนะเพื่อจะได้ผลตอบแทนเป็น ความมั่งมีนะโชคลาภเนี่ยนะมันจะไมไ่ช่วยลดความเห็นแก่ตัวไม่ได้ลดความยึดมั่นถือมั่นเลยและจะทําให้เราเนี่ยไม่รู้จักสัมผัสกับความสุขที่สงบเย็นคนเราเนี่ยถ้ารู้จักละวางความยึดมั่นในตัวของกูเนี่ยนะมันไม่เพียงทําให้เรามีความสงบหรือความสุขในชีวิตประจําวัน เท่านั้นแม้ในยามที่เกิดวิกฤตในชีวิตเกิดความพ้าผ่าสูญเส่เกิดความเจ็บความป่วยมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ทุกนะกายใจก็ยังสงบได้คนที่ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคนที่ปฏิบัติธรรมจงกันทั่ง ไม่มีความยึดมั่นในตัวกูของกูเลยเนี่ยหรือมีน้อยเนี่ยเวลาเขาป่วยเนี่นะเขาจะรู้เลยว่ามาเป็นกายที่ป่วยแต่ใจไม่ป่วยด้วยมีเรื่อง่าว่หลวงปู่บุตดานะหลวงปู่บุตดานะทาวโรนะ อันนี้เมื่อวานนี้ก็ลอยฟังไว้บ้างแล้วนะัท่านท่านไปผ่าเอานิ้วออกนะผ่าเสร็จสักสิบห้านาทีท่านก็บอกว่าบอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วเขาแย่งช่วแล้วลคือท่านจะออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอก็แปลกใจหมอก็ตกใจว่าหลวงปู่หลวงปู่ไม่เจ็บเหรอคนที่ผ่าเบาน้อยกับท่านเนี่ย ก็ยังเจ็บเขยังปวดนะแล้วหลวงปู่เนี่ยไม่ปวดเหรอหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าร่างกายของฉันเนี่ยมันก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละคือมันก็รู้สึกปวดแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยนะอย่าเอามาปนกันคือคนธรรมดาเนี่ยเวลาปวดเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ากายปวดนะแต่แต่จะรู้สึกว่าฉันปวด เมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะคุยกันไปแล้วเรื่องว่าเวลามีความดีใจเนี่ยคนหลายคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าฉันดีใจแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่มองว่าเนี่ยฉันเห็นความดีใจอยู่ข้างในหรือฉันเห็นข้างในมันดีใจมันมีความแตกต่างระหว่างฉันดีใจกับฉันเห็นข้างในมันดีใจในฉันดีใจนี่คือว่าฉันเนี่ยนะเป็นผู้ดีใจ ส่วนฉันเห็นข้างในมันดีใจเนี่ยก็คือว่าเป็นแค่ผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็นคนที่คนที่รู้สึกว่าฉันปวดกับอีกคนเนี่ยที่เห็นว่ากายมันปวดเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันนะ คนที่เห็นว่ากายปวดเนี่ยก็คือคนที่ละวางความยึดมั่นในตัวกูหรือพูดภาษาชาวบ้านคือไม่มีตัวกูเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่รู้สึกว่าเลยไม่ได้คิดว่าเป็นผู้ปวดหรือถ้าพูดให้มันชัดอีกหน่อยคือว่าไม่ยึดมั่นในความปวดว่าเป็นตัวกูของกู <Amen. S 1> คนธรรมดาเนี่ยเวลาปวดเนี่ย จะไม่รู้สึกว่ากายปวดแต่รู้สึกกูปวดอันนี้เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในยึดมั่นถือมั่นว่าความปวดเป็นตัวกูของกูแต่คนที่ไม่มีความยึดมั่นตรงนี้เนี่ยนะเวลาปวดก็เห็นว่ากายปวดแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกูที่ปวดนะ นี่หลายคนเนี่ยที่มีความทุกข์กับความเจ็บความปวดเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เฉลียวใจเลยนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีความยึดมั่นถือมั่นซ้อนแทรกอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในความปวดด้วยคือไม่ใช่แค่ปวดกายเท่านั้นแต่ว่ามีความรู้สึกซ้อนขึ้นมาว่ากูปวดกูปวดความปวดเป็นของกูตรงนี้แหละที่ทําให้ใจมันปวดมากขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าเราละวางความยึดมั่นในตัวกูของกูได้เนี่ยนะแม้เจ็บป่วยนะใจก็ไม่ทุกข์เพราะว่ารู้สึกเหลือเห็นอยู่ว่ามันเป็นกายที่ปวดนั้นใจก็เป็นปกติได้ใจก็ยังเป็นใจก็ยังมีความสุขอยู่ได้นะไอ้ความสุขเน่ความสุขที่เกิดจากการละนี่มันมันประเสริฐนะเพราะว่า มันไม่เพียงแต่ทําให้เราพบกับความสงบเย็นในเวลา ช, ชีวิตเนี่ยเป็นปกติสุขแต่ถึงแม้ชีวิตเนี่ยไม่ปกติสุขเพราะมีความพัดพระมีความสูญเสียมีความจะมีความปวดแต่ว่าใจก็ยังเป็นปกติได้หรือว่าใจก็ยังสงบเย็นอยู่ได้มีคราวนึงหนะลวงปู่บุดาท่านนิ ม, มนต์ให้ไปฉันเพนที่บ้านโยมคนหนึ่งก็มีพระไปด้วยหลายลูก บอกวาอาหารเป็นพิษนะพระที่มาทั้งคณะเลยเนี่ยอาเจียนอาเจียนแล้วอาเจียนอีกจนกระทั่งหมดแรงนอนหมดสภาพหลปู้บุดาซึ่งอายุมากนะแแล้วเนี่ยแล้วมั้งท่านก็อาเจียนนะแต่อาเจียนเสร็จท่านก็มานั่งคุยกับโยมต่อ คุยเสร็จสักพักอาเจียนอีกนะก็อาเจียนสกระถดแล้วมาคุยกับโยมต่อนะท่านบอกว่าอยากให้กำลังใจโยมเพราะโยมเนี่ยเสียใจที่พาพามาเจอเหตุการณ์แบบนี้คนก็แปลกใจว่าหลวงปู่อายุมากกว่าคนอื่ น, นทำไมไม่นอนหมดสภาพเหมือนกับพระนะท่านที่ก็โดนยาเจออาหารเป็นพิษเหมือนกันหลวงปู่ท่านก็อธิบายว่าร่างกายมันก็สักแต่ว่านะ ก็คือว่ามันประกอบไปด้วยธาตุดนินน้ำไฟลมเมื่อมันเจอยาเบื่อยาเมามันก็มีอาการแบบนี้แหละคืออาจเจียนแต่ว่าใจไม่ได้โดนด้วยใจไม่ได้โดนด้วยเนี่ยจริงไหมเพราะนั้นท่านก็เลยไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ทุกทรมานอะไรใจท่านยังเป็นปกตินะยังคุยกับโยมได้แต่กายเนี่ยไม่ปกติแนละ้วเพราะว่ามันเจออาหารเป็นพิษใช่ไหม อันนี้ก็ยังเรียกว่าใจนี้เป็นปกตินะท่านั้นที่ความเจิดความปวดลุกรานลังควานร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าใจยังเป็นสุขอยู่ได้ความสุขที่เกิดการเสพการมีการได้มันไม่ช่วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเป็นมะเร็งมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยลดความปวดความหรือทุเลาความปวดได้เลยนะ ก็ไม่มียาที่จะระงับปวดได้แต่คนที่เข้าถึงความสุขที่เกิดจากการละการวางการสลัดเนี่ยแม้ว่าเป็นมะเร็งนะแต่ว่าใจก็ยังเป็นปกติได้อันนี้แหละคือเหตุผลประการหนึ่งที่ว่าความสุขที่เกิดจากการละเนี่ยมันประเสริฐนะกว่าความสุขที่จะเกิดจากการได้และความสุขที่เกิดจากการละเนี่ยจึงเป็นความสุขที่แท้ ที่จริงท่านละอย่างถึงที่สุดนะก็คือนิพพานนั่นแหละนะความสุขทางธรรมะหรือความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งไปสู่นิพพานความสงบเย็นนะและเราจะพบว่าคนที่ละอย่างถึงที่สุดเนี่ยท่านังที่มีบริขาไม่กี่ชิ้นแต่มีความสุขมากอย่างเช่นพระหลวงปู่หลวงตาในวัดปา่านะบริขามีน้อยมาก นะแต่แท่านกลับมีความสุขอย่างยิ่งในขณ ะ, ะที่คนซึ่ง เ, เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านไม่มีความสุขความดันสูงนะแล้วก็นอนไม่หลับนะเราเจอเยอะมากบางคนก็ฆ่าตัวตาย <c oughs> เมื่อสองเดือนที่แล้วนีมั้งมีเศรษฐีคนหนึ่งนะแกเป็นชาวเยอรมันแกมีชื่อมากนะเพราะว่าแกทาธุรกิจ ธุรกิจกรรสัญญรกรสัญจรการความงามพวกเราที่พวกเรารู้ใช่ไหมการมัน ม, มีวิธีที่ทำให้หน้าตาสดใสวัยเยาว์เนี่ยด้วยการฉีดโบท็อกหรือว่าการดึงหน้าเนี่ยไอคนที่คิดเนี่ยคือคนนี้และรวยไม่รู้เรื่องเลยนะฉีดโบท็อกแล้วก็เนี่ยดึงหน้านนะรวยมากเลยนะแต่ว่าวันดีคืนดีก็ฆ่าตัวตาย อายุ70กว่านั้นเองช่วยทําให้คนอื่นมีความสุขนะใบหน้าเต่งตึงนะแต่ตัวเองมีความทุกข์แก้แก้ทุกข์ของตัวเองไม่ได้อาตมาเชื่อเป็นพ่อแกรู้จักแต่ความสุขประเภทเดียวคือความสุขที่เกิดจากการได้การมีแต่ไม่รู้จักความสุขที่เกิดจากการละการวางการสละแล้วพวกเราชาวพุทธเนี่ยโชคดีนะที่ได้มารู้จักกับความสุขชนิดนี้จากคําสอนพระพุทธเจ้า แต่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรือเห็นความสำคัญมากเท่าไหร่เพราะว่าใจบางทีใจก็ยังยังโอนเอียงไปยังในเรื่องการอยากมีอยากได้อยากรวยนะแต่เราไม่เห็นคุณค่าว่าไอ้การสลักนะมันมันจะนำพาเราไปสู่ความสุขที่ประเสริฐที่ประณีตอย่างไรบ้างนะลองสัมผัสลองศึกษากับความสุขใช้ดีดูเริ่มจากการให้ทานให้ด้วยใจที่ ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะจริงพผู้พะะุทธเจ้าเนี่ยสงสบสนน ก, การให้ทานโดยที่ไม่หวังอะไรเลยพระไศรุเปิดเคยกล่าวว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่ให้ทานเพื่ออุปทิสุขหรือพบใหม่อุปทิสศคือโลเคียสุหรือความสุขที่เกิดจากความร่ำรวยมีเงินมีทอง บัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่หวังย่อมไม่ให้ทานเพื่ออุปทิศหรือเพื่อพบใหม่พบใหม่คือคอยไปเกิดเป็นเทวดาคอยไปเกิดเป็นเศรษฐีคอยเกิดเป็นคนร่ํารวยนั่นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตวิสัยมัณฑิตของคือว่าเมื่อให้ทานย่อมมุง่งขจัดกิเลสและการไม่เกิดพบไม่เกิดพบคืออะไรก็คือนิพพานนั่นเองนะอันนี้ท่านพระไตรปิฎท่านกล่าวไว้ชัดเจนแล้วนะว่า เราให้เมื่อเราจะให้ทานแบบบัณฑิตควรจะให้ทานแบบไหนไม่ใช่ให้ทานเพราะอยากได้อยากเอาอยากมีแต่ให้ทานเพราะต้องการละนะเราลองลองฝึกการให้ทานแบบนี้ดูบ้างนะแล้วมันจะช่วยทำให้เราเริ่มพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเย็นนะทีละน้อยทีละน้อยและทำให้เราเข้าใกล้ปฏิภาณมากขึ้น อ阿拉ตมาก็พูดพอสมควรนะเรื่องความสุขทิแท้นะก็ขอให้ญาตโยมไปพิจารณา